วันนี้เป็นวันอังคารที่สิบแปดตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเป็นวันแรมแปดค่ำเดือนสิบเอ็ดเป็นวันพระเป็นวันประเสริฐ เพราะคำว่าพระแปลว่าประเสริฐแต่ความประเสริฐนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นวันพระเป็นวันแรมแปดคำแต่ความประเสริฐนี้เกิดขึ้นจากการกระทาที่จะทำให้จิตใจของผู้กระทานั้นประเสริฐขึ้นมาเป็นพระขึ้นมา การกระทํานั้นมีทั้งการทําให้จิตใจเป็นพระหรือเป็นมารขึ้นอยู่กับการกระทําว่าเป็นอย่างไรเป็นคุณเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษเป็นความเสียหายต่อจิตใจ วันพระนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกาหนดขึ้นมาเพื่อให้ศรัทธาญาติโยมที่บวยุ่งกับการทำมาหากินเลี้ยงชีพและการหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพภะให้ได้พัก ให้หยุดเพราะการกระทำเหล่านี้ไม่ได้เป็นการกระทำที่จะทำให้จิตใจสูงขึ้นดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นให้เป็นจิตใจที่ประเสริฐเป็นการกระทำที่ให้ความสุขแบบชั่วคราว แต่ไม่ได้ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นและอาจจะถ้าทําไม่ถูกถ้าเป็นการกระทาที่ผิดที่สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็จะเป็นการกระทาที่จะดึงจิตใจให้ลงต่ำตํำจากการเป็นมนุษย์ ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ให้กลายเป็นจิตใจของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายและของนรกได้ถ้าไม่เข้าหาพระาศาสนาถ้าปล่อยให้กระทาไปตามอำเภอใจตามความต้องการ ก็มักจะที่จะไปกระทำบาปแล้วเมื่อได้กระทำบาปแล้วก็จะดึงจิตใจให้ลงต่ำเพราะว่าไม่ได้รู้เรื่องของจิตใจไม่ได้รู้เรื่องของการกระทำที่มีผลกระทบต่อจิตใจของตนเองไม่รู้ว่า การกระทำบาปเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดโอเปนีการพูดปดการดื่มสุรายามาการเสพใ บ, บาามุกต่างๆเรื่องการพนันเที่ยวเตรเกียรติคราส น, นี้จะเป็นการกระทำ ที่จะจุดให้จิตใจลงต่ำไม่ได้ส่งเสริมให้จิตใจขึ้นสูงได้ซึ่งการกระทําเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของผู้ที่สวงหาความสุขทางโลกสวงหาความสุขจากการมกุลห้า คือรูปเสียงกลิ่นรสผุดทับแต่ไม่รู้ว่าการแสวงหาความสุขจากการคุณห้านี้จะเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจถ้าแสวงหาโดยไม่ได้มีการกระทำบาปก็จะไม่ดึงให้จิตใจลงต่ำแต่ก็ไม่ได้ ดึงให้จิตใจขึ้นสูงได้และนอกจากการไม่ได้ดึงจิตใจให้ขึ้นสูงแล้วยังผูกจิตใจให้ติดอยู่กับการมาเกิดในการมาพบอยู่เรื่อยๆถ้ามีความรับความชอบความยินดีในการมาคุณห้าที่เรียกว่าการมาฉันทะก็จะส่งให้จิตใจในี้ ไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะมาเสกอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องมีเครื่องมือในการที่จะเสกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะก็คือต้องมีตาหูจมูกมือกายถ้ามีความอยากในการมาคุณห้าในการมฉันทะการมะฉันทะนี้ก็จะ ใช้หรือสั่งให้จิตใจไปหาร่างกายมาเป็นเครื่องมือเวลาที่ไม่มีร่างกายเช่นเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปใจนี้ยังมีความอยากที่จะเสพกาเมฉันที่จะเสพกามคุณห้าอยู่ยังอยากเสพรูปเสียงเิ่นรสโผลพภะชนิดต่างๆอยู่ใจก็จะ ไปหาร่างกายอันใหม่ไปปฏิสนธิในร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่นี้มาเป็นเครื่องมือให้กับการหาความสุขให้กับใจต่อไปให้หาราบหา ย, ยุหาสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆมันก็จะทาให เจตนี้จะต้องติดอยู่กับการมาเกิดอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดก่อนมาแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์กับการดำรงชีพทุกข์กับการทำมาหากินเลี้ยงชีพทุกข์กับการดูแลรักษาร่างกายทุกข์กับการป้องกันภัยต่างๆที่จะมากระทบต่อความอยู่เป็น ปกติสุขของร่างกายก็จะต้องวนเวียนอยู่กับกองทุกข์อย่างนี้ไปอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีวันพระมาะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นไปตามลำดับชั้นของการปฏิบัติจนถึงชั้นสูงสุดคือชั้นของพระนิพพาน ชั้นของพระพุทธเจ้าชั้นของพระอาหารหันตสาวกผู้เป็นพระอันประเสรฐที่สุดในบรรดาพระทั้งหลายถ้าได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าในวันพระและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็จะถึงจุดสูงสุดของจิตใจจุด ประเสริฐที่สุดของจิตใจเป็นพระที่ประเสริฐพระที่สูงสุดเป็นพระที่เต็มเปลี่ยนไปได้ความทุกข์เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขปราศจากความทุกข์ปราศจากการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้แหละคือหน้าที่เนือว่าของวันพระ หน้าที่ของวันพระก็เพื่อที่จะดึงจิตใจของศรัทธ า, ายายยมที่ถูกความหลงหลอกให้สแสวงหาแต่ลาบยศสารเสริญแสวงหาแต่รูปเสียงกลิก่นรสผลพระมาเสพอยู่เรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าการกระทำเหล่านี้ไม่ได้เป็นการกระทำที่จะดึงให้จิตใจสูงขึ้น ให้หลุดออกจากกองทุกขแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแต่เป็นการกระทำที่จะผูกเรือดึงให้จิตใจนี้ติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดหน้าที่ของวันพระก็มีไว้เพื่อให้ผู้ที่ปรารถนาสิ่งที่ดีที่ประเสริฐแก่จิตใจได้มาเรียนรู้ วิธีการยกระดับจิตใจของตนให้สูงขึ้นไปตามลำดับจนสูงถึงขั้นสูงสุดถ้าไม่มีวันพระถ้าไม่เข้าวัดเข้าศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนก็จะไม่รู้จักวิธีก็จะไม่รู้เสียด้วยซ้ำไปว่าตนเองนี้เป็นใครกำลังทำอะไรอยู่ ก็จะคิดว่าตอนเป็นเป็นร่างกายเป็นร่างกายที่มีอายุไม่เกินร้อยปีดังนั้นก่อนที่จะสิ้นสุดชีวิตต้องใช้ร่างกายนี้ให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดและสิ่งที่ร่างกายนี้จะทําให้กับตนได้ก็คือการหารามยศ ส, สารเสริญ หาลูกเสียงกินลดโพธิภพชนิดต่างๆมาเสษมาให้ความสุขโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นการสะสมภพชาติสะสมการเวียนว่ายตายเกิดให้มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับและสะสมความทุกข์ให้เกิดขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเวลาที่ ได้ลาบลศสรรเสริญได้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดโพธิภะนี่จะมีความรู้สึกว่ามีความสุขดีใจเวลาได้เงินได้ทองมาเวลาได้ยศได้ตำแหน่งเวลาที่ได้รับการสรรเสริญเยินยอยกย่องได้รับรางวัลต่างๆเวลาที่ได้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดต่างๆที่ถูกใจ จะมีแต่ความสุขแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นความสุขที่จะต้องมีวันหมดไปวันใดวันหนึ่งช้าหรือเร็วเท่านั้นเองความสุขเหล่านี้มันจะไม่ได้อยู่กับผู้ผู้เสพไปตลอดเวลาเพราะว่า โดยธรรมชาติของสิ่งต่างๆนั้นเป็นของที่ไม่เที่ยงมีการเกิดแล้วก็มีการดับไปเป็นธรรมดามีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาและเครื่องมือที่ใช้ในการเสพราบยศสารสญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็เป็นของชั่วคราวเช่นเดียวกันคือร่างกายร่างกายก็จะต้องแก่ไปตามลำดับตามการตามเวลาและความสามารถในการที่จะใช้ตาหูจมูกลิ้นกายนี้มาหาลาบยศสารสนุขมันก็จะลดลงไปตามลำดับจนถึงวันหนึ่งก็ อาจจะไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระได้อันนี้มองในทางมุมของร่างกายในมุมของลาบยศสารเสริญ ส, สุขมันก็เป็นของไม่แน่นอนเหมือนกันได้มาแล้วมันอาจจะหมดไปอย่างรวดเร็วก็ได้หรือหมดไปอย่างช้าก็ได้ไม่มีใครรู้ แต่ที่หน้ๆมันจะต้องหมดถ้าอย่างช้าก็หมดไปตอนที่ร่างกายนี้หมดสมัตถภาพหมดความสามารถที่จะใช้ลาบยศสารเสริญใช้รูปเสียงกลิ่นลดโภทภะมาบำรุงบำเรอให้ความสุขกับใจได้นี่คือสิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปคนที่ไม่มีปัญญา จะไม่คำนึงจะไม่คิดกันจะมองด้านเดียวมองด้านสุข ด, ด้านความสุขว่าราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นโดผพธพระชนิดต่างๆนี้จะให้ความสุขซึ่งมันก็เป็นความจริงครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็คือว่าแล้วเวลาที่มันไม่ได้มันมาเราจะทำยังไงเวลาที่อยากได้ไดราบอยากได้เงินทอง เพื่อจะได้เอามาใช้สอยใช้จ่ายอะไรต่างๆ<ม>กิ่มันมีอุบัติเหตุมีเหตุการณ์ชะงักที่ทำให้เกิดการชะ ง, งักเช่<ม><ม>นตอนนี้โลกเราก็เข้าสู่ภาวะถดถอยทางด้านเศรษฐกิจเพราะว่าการกำลังผลิตต่างๆมันลดลงเนื่องจากภาวะของโรคระบาด เงินทองที่เคยหามาได้อย่างสะดวกก็เริ่มหายากขึ้นหนีสินก็มีเพิ่มมากขึ้นนี่คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรื่องของรากมันไม่มีอะไรแน่นอนบางยุคมันก็เป็นยุคที่รุ่งโรจน์เจริญหาเงินหาทองกันได้อย่างง่ายดายรวดเร็วแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปเสมอ มันก็ต้องมียุคที่หายากเข้ายากมากแพงเงิเนทองหายากข้าวของก็มีราคาแพงความทุกข์จึงตามมากันเวลาที่เกิดการแปรปรวนทางด้านภาวะของทางโลกไม่ว่าจะเป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากโรคระบาดภาวะที่เกิดจากการขัดแย้งระหว่างประเทศหรือในประเทศ ทำให้เกิ ม, มีภาวะสงครามมีการต่อสู้ฆ่าฟันกันตอนนั้นความสุขจากราบยศ ร, สรเสเิญจากรูปเสียงเก่งยศโพธภาพนี้มันหายไปหมดมสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ความยากความเดือดร้อนต่างๆอันนี้เป็นอีกมุมมองอีกด้านหนึ่งของ ลาบยกสารเสริญของรูปเสียงกิ่นรถโผธพะมันไม่ใช่มีแต่ความสุขด้านเดียวไม่ได้เป็นความสุขตลอดเวลาแต่มันมีการพลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้เวลานั้นละ่ะจะเป็นเวลาที่จะต้องเดือดร้อนกันทุกกันถ้าไม่มีการปฏิบัติยกระดับจิตใจของตนให้สูงขึ้น ให้พึ่งความสุขจากราบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะให้น้อยลงไปตามลำดำับคนนักปราชญ์คนที่ฉลาดนี้จะรู้จะเห็นเรื่องของความไม่แน่นอนของโลกกระท8แตเห็นว่าเป็นของที่มีเจริญน่าเสื่อมได้ มีราบก็จเจรราบได้ก็เสีอมราบได้จเจริญยศก็เสีอมยศได้จเจริญ ส, สรรเสริญก็มีจเจริญนินทาได้จเจริญสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็กลายเป็นจเจริญทุกข์จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะได้เช่นเดียวกันผู้ที่เห็นพิษเห็นภัยของความไม่เที่ยงแท้แน่นอน ของความสุขของโลกกระมนี้ก็จะเข้าหาหนักบรารอย่างพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้หลุดออกจากการต้องพึ่งพาอาศัยความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูษศ์เสีลงกิรลดโธตพะเพเพื่อเข้าหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่ง ความสุขที่เป็นความสุขที่มั่นคงที่ถาวรความสุขที่ไม่ต้องใช้น่างกายเป็นเครื่องมือในการสร้างความสุขเหานันขึ้นมารู้สึกความสุขไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิน้นกายไม่ต้องใช้ลาบยศสรรเสริญมาเป็นเครื่องมือให้ความสุขกัดใจเป็นความสุขที่ได้จากการ ปฏิบัติธรรมระดับต่างๆเพื่อที่ยกระดับจิตใจให้เป็นพระพระสง์ขึ้นไปตามลำดับของการปฏิบัติระดับของพระในพระพุทธศาสนานี้ก็มีอยู่สามระดับด้วยกันระดับแรกก็คือพระเทศระดับที่สองก็คือพระพรหมระดับที่สามก็คือพระอริยบุคคล หรือพระอริยเจ้าอันนี้เป็นระดับที่จิตใจสามารถที่จะคว้ามาเป็นสมบัติของจิตใจได้แรงจิตใจจากบุตุชนธรรมดาจากมนุษย์ธรรมดานี้มาให้กายเป็นพระเทพเป็นพระพริ์เป็นพระอริยบุคคลระดับต่างๆได้ และการที่ได้แปลงใจจากปุถุชนให้ขึ้นมาเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลนี้ก็จะเป็นการสร้างความสุขให้กับจิตใจตามลาดับชั้นไปด้วยระดับชั้นของเทพนี้ก็จะให้ความสุขในระดับหนึ่งแล้วก็ระดับพรหมนี้ก็จะให้ความสุขที่มากกว่าระดับเทพ แล้วจากระดับเทพขึ้นไปสู่ระดับระยะอริยบุคคลอริยเจ้าก็จะได้ความสุขที่มากขึ้นไปจนถึงความสุขที่เต็มเปี่ยมไปในหัวใจเพื่อรับความสุขของพระอาหารหันต์ของพระพุทธเจ้าของพระนิพพานเป็นความสุขที่เต็มเปี่ยมแล้วก็เป็นพระที่สูงสุด ก็คือเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันตสาวกซึ่งเป็นสิ่งที่จิตใจของทุกคนสามารถที่จะไปถึงได้ถ้ามีศรัทธามีความเชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เพียรพยายาม ที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่ทรงสอนให้มีวันพระกันให้หยุดภารกิจการหาลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันแล้วให้มาหาความสุขจากการยกระดับ จ, จิตใจของตนให้สูงขึ้นไปตามลำดับด้วยการสร้างเหตุ ที่จะทำให้ใจนี้เป็นพระเทพเป็นพระกรมเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาตามลำดับขันะ้นที่หนึ่งของการเป็นพระก็คือการเป็นพระเทพการจะทำให้จิตใจเป็นพระเทพนี้ก็ต้องมีการกระทำอยู่สองข้อด้วยกันคือหนึ่งต้องมีการรักษาศีล ร, รักษาศีลห้าไม่กระทำบาปห้าข้อ คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายามเมาแล้วก็ทำบุญทำทานตามกำลังตามศรัทธาทำมากก็จะได้เป็นเทพที่สูงขึ้นไปมากทำน้อยก็เป็นเทพชั้นต่ำ เทพนี้ก็มีแบ่งระดับไว้ถึงหกชั้นด้วยกัน mm hmm. ก็ขึ้นอยู่กับการทำบุญทาทาน mm hmm. ขึ้นอยู่กับการรักษาศีลห้านี่แหละ mm hmm. ถ้าทำแต่บุญทําต่ทานไม่รักษาศีลห้านี้ไปเป็นเทพไม่ได้ mm hmm. แม้แต่เป็นมนุษย์ก็ยังเป็นไม่ได้ mm hmm. ในสำหรับพบหน้าชาติหน้าถ้าไปทำบาปแล้วนี่บาปจะดึงให้จิตใจลงต่ำ ถึนแม้จะทำบุญทำทานไว้บุญนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะออกดอกออกผลได้ถ้าอำนาจของการกระทำบาสนี้มันมีมากกว่าอำนาจของการกระทำบาปก็จะดึงให้ใจลงจากมนุษย์ให้ไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนสุลกายและเป็นนรกตามลำดับของการกระทำบาปของแต่ละอย่าง ดังนั้นถ้าไม่อยากจะให้จิตใจตกต่ําอยากจะให้จิตใจขึ้นสูงนี้ขั้นต้นก็ต้องไม่กระทําบาปห้าข้อนี้เพื่อป้องกันไม่ให้จิตใจลงต่ําำถ้ารักษาศีลห้าได้จิตใจก็จะไม่ลงต่ําถึงแม้ถ้าจะไม่ได้ทําบุญทําทานเลยถ้ารักษาศีลห้าได้ก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้ ตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายตายไปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยแต่ก็ไม่มีความสามารถที่จะขึ้นสูงกว่า น, นั้นได้ความสุขของมนุษย์นี้เมื่อเปรียบเทียบกับความสุขของเทพนี้มันก็คนละระดับกันความสุขของมนุษย์นี้อาจจะเป็นแบบธรมธรมดาๆพออยู่พอกิน ไม่ร่ำไม่รวยไม่ยากจนก็ไม่แน่บางทีก็ยากจนได้การเป็นมนุษย์นี้เราก็เห็นอยู่ว่ามีทั้งคนที่ร่ำรวยและคนที่ยากจนนี่แหละสาเหตุของการที่เป็นมนุษย์แต่ยากจนก็เพราะว่าไม่ได้ทำบุญรักแต่ศีลห้ารักษาแต่ศีลห้าแต่ไม่ทำบุญนี้มันก็ไม่ร่ำรวย แต่ถ้ารักษาศีลห้าแล้วทำบุญด้วยเวลา ก, กลับ ม, มาเกิดใหม่ในคราวหน้าก็จะได้มาเป็นมนุษย์ที่มีฐานะดีมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามผิวพรรณผ่องใสเพราะอำนาจของทานอยากทำให้พูดทำบุญทำทานนี้มีผิวพรรณผ่องใสมีร่างกายสวยงาม มีอาการครบสามสิบสองมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยืนยาวนานเป็นต้น้องสังเกตดูทำไมมนุษย์เราจึงมีลักษณะต่างกันบางคนรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผ่องใสบางคนไม่สวยงามไม่ผ่องใสบางคนน่ํารวยบางคนยากจน อันนี้แหละเป็นอ น, นิสง์ของการทําทานที่ได้ทำไว้ในอดีตชาติและการรักษาศีลการรักษาศีลดตายไปก็ไม่ต้องไปใช้กรรมนอบายกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แล้วก็ก่อนจะมาเป็นมนุษย์ตอนที่ตายไปถ้าทาทานด้วยรักษาศีลห้าด้วยใจก็จะเป็นพระเทก ก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นเทพชั้นต่างๆไปเสพความสุขของสวรรค์ชั้นเทพก็คือความสุขทิพนี่เองไปเสพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพต่างๆที่เราสามารถสัมผัสได้ในเวลาที่เรานอนหลับ เ, เวลาที่เรานอนหลับบางครั้งนี้เราจะฝันดีฝันว่าได้ไปสัมผัสกับเหตุการณ์ดีๆ พอตื่นขึ้นมาเรยังไม่อยากจะตื่นนะอยากจะกลับไปฝันต่อเพราะว่ามันเป็นความสุขมากกว่าการที่เวลาตื่นเวลาตื่นก็ต้องเป็นเป็นมนุษย์ที่จะต้องคุกคลีไปกับเรื่องราวต่างๆถึงแม้ว่าจะล่ำจะรวยถึงแม้จะมีความสุขแต่ก็มีเรื่องราวที่ไม่ดีต้องคอยเข้ามาแก้ไขอยู่เรื่อยๆอันนี้แหละ คือตัวอย่างของการที่ได้ไปเกิดในสวรรค์ตอนที่ตายไปแล้วก็ดูที่เวลาที่เรานอนหลับแล้ว เ, เราฝันไปเนี่ยเพราะตอนที่เรานอนหลับนี่มันก็เป็นเหมือนกับการตายชั่วคราวนี่อตอนนั้นเราไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขหาลาบยศสารเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสปุถัม ใจก็เลยต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องถ้ามีบุญสะสมไว้บุญที่ได้สะสมไว้นี่ก็จะผลิตเรื่องราวดีๆเรื่องทิพย์ูกทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ต่างๆมาให้ใจได้เสพในขณะที่ร่างกายพักผ่อนหลับนอนแต่ถ้าไปทำบาปทำกรรมไว้มากกว่าทำบุญเนี่ยกลังของบาปมันจะมีมากกว่า มันก็จะมาให้ใจได้สัมผัสกับเรื่องราวเหตุการณ์ที่ยุ่งยากเรื่องราวที่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจมีแต่ความวุ่นวายใจมีแต่พิษมีแต่ภัยอันตรายต่างๆหรือมีแต่ความหิวโหวยอดอยากขาดแคลนมีสิ่งที่น่าหวาดเสียวหวาดกลัวต่างๆมาคอยทำร้ายอยู่เรื่อย อันนี้เรียกว่าเป็นภาวะของอบายที่เป็นผลที่เกิดจากการกระทาบาปเราวนี่สามารถรู้เนื้อเห็นตัวอย่างของอนาคตของพวกเราได้ที่ความฝันของเรานี่เองถ้าเราฝันดีเราก็เชื่อได้ว่าตายไปนี้เราจะไปฝันต่อพอไม่มีร่างกายใจก็จะเข้าสูร่ระบบของความฝันต่อไป แล้วถ้ามีบุญเป็นผู้ผลิตความฝันก็จะได้ความฝันที่ดี<ม>ก็จะได้สวรรค์ชั้นต่างๆตามอำนาจของกาลังของบุญที่ได้สะสมมาไว้<ม>ในทางตรงกันข้ามถ้านอนหลับแล้วมักจะฝันร้ายมากักจะมีเหตุการณ์ที่ระทึกขวัญเขย่าวขวัญสร้างความสะเทือนใจในรูปแบบต่างๆ อันนั้นแหละมันก็จะเป็นตัวอย่างของอบายที่ใจจะต้องไปเสพสัมผัส ต, ต่อไปถ้าไม่รีบแก้ไขเพราะขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี้ยังสามารถแก้ไขได้โดยยังสามารถลดการกระทำบาปลงได้และเพิ่มการกระทำบุญให้มีมากขึ้นจนให้บุญนี้แซงหน้าบาปไป ให้บุญมีกำลังมากกว่ากำลังของบาปแล้วต่อไปจะนอนหลับฝันดีแล้วจะมีความมั่นใจว่าเวลาตายไปแล้วจะไปสู่สุคติเพราะความฝันนี้มันเป็นเหมือนหนังตัวอย่างของภพชาติที่เราจะไปเป็นต่อไปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วก่อนที่เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เราก็จะต้องไปรับผลบุญหรือรับผลบาปจากการกระทําของเรานะถ้าเราทําไม่รักษาศีลกันทําแต่บาปอยู่เรื่อยๆไม่เกรงกลัวบาปกรรมไม่มีเหตุโอตระปาไม่เชื่อว่ามีการกระทําบาปนี้มีผลกระทบที่ไม่ดีต่อจิตใจนะก็ลองดูตอนที่นอนหลับกะละกันวาน่านอนหลับแล้วฝันดีหรือฝันร้าย ถ้าผันร้ายก็ยนั้นแหละมันเป็นสั ญ, ญลักษณ์เป็นการแจ้งเตือนว่า<ม>ตอนนี้กำลังเข้า ข, ขีดไฟแดงนะ<ม>กำลังเข้า ข, ขีดร้อนขีดของความทุกข์ขีดของความระทึกขวัญ<ม>ถอยออกมาอย่าอย่าไปทางนี้ถ้าทำบาปอยู่ก็เลิก<ม>พยายามกลับมาถือศีลให้ได้<ม>ถ้าเคยทำข้อไหนก็หยุดไปข้อไหนที่ รักษาได้ก็รักษาต่อไปรักษาห้าข้อนี้ให้ได้เพื่อไม่ให้มันมีกำลังเพิ่มขึ้นเราไม่สามารถไปลบล้างบาปที่เราทำไว้แล้วได้แต่เราสามารถคุมไม่ให้มัน เ, เลยเถิดไม่ให้มันขยายตัวให้มันต่ิเนเติบโตมากขึ้นด้วยการหยุดการกระทําบาปแล้วเราก็มาขยายบุญให้มันมีกำลังมากขึ้นสร้างบุญให้มากขึ้น เคยบริจาคเท่านี้ก็เพิ่มเป็นสองเท่าเป็นสามเท่าทำให้มากขึ้นทำให้บ่อยขึ้นแล้วไม่นานรับประการได้ว่าเวลานอนหลับฝันร้ายนี้มันจะหายไปถ้ากำลังของบุญนี้มีมากกว่ากำลังของบาวนอนหลับเคยฝันร้ายต่อไปฝันร้ายมันก็จะหายไปมีแต่ฝันดีไปเรื่อยๆเพราะว่าบุญนี้มีกำลังมากกว่า เมื่อเราได้ฝันดีเราก็จะได้มีความมั่นใจว่าตายไปใจของเราก็จะอยู่ในโลกของความฝันที่ดีฝันไปเรื่อยๆจนกว่ากำลังของบุญมันจะอ่อนลงและไม่สามารถผลิตความฝันที่ดีให้เราได้เราก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เช่นเดียวกับในทางตรงกันข้ามถ้าเราฝันไม่ดีฝันร้าย ตายไปนี้ใจเราก็จะอยู่ในสภาพของการมีความฝันร้ายมาสร้างความทุกข์สร้างความหวาดเสียวหวาดกลัวสร้างความวุ่นวายใจสร้างความเครียดแค้นอะไรต่างๆให้กับใจขึ้นอยู่กับบาปกรรมที่เราทำไหมว่าเราทำในรูปแบบไหนทำด้วยความโลภ ก, ก็จะให้เราหิวโหยทำด้วยความกลัวก็จะทำให้เรามีแต่ความ หวาดกลัวทำด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะทำให้เรามีแต่ความเครียดแค้นมาสแสดงผลให้กับเราได้สัมผัสแต่มันก็มีวันอ่อนกาลังลงได้หลังจากที่มันหมดกำลังใจที่ยังมีความต้องการที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสเสบราบยศ ส, สรรเสินก็จะกลับมาได้ร่างกายใหม่เป็นร่างกายของของมนุษย์ใหม่ แต่ใจสองชนิดนี้ใจที่ลงมาจากสวรรค์กับใจที่ขึ้นมาจากกบายนี้จะได้ร่างกายที่ไม่เหมือนกันจะได้นิสัยใจคอที่ไม่เหมือนกันเนใจที่ลงมาจากที่สูงนี้จะได้ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีอาการครบสาสสวยงามผิวพรรณผ่องใส มีโพกทรัพย์มีทรัพย์สมบัติมีข้าวเงินทองติดตัวมาด้วยความนาจของทานที่ได้ทำไว้ในอดีตชาติ<ม>แล้วก็จะมีนิสัยที่จะชอบทาบุญรักษาศีล<ม>ของพวกนี้ไม่ต้องสอนกันมันติดมากับตัวของเราคนที่ชอบทำบุญนี้ไม่ต้องมีใครสอนมีโอกาสก็อยากจะทำบุญขึ้นมาทันที รักษาศีลก็จะไม่อยากจะไม่ชอบเบียดเบียนใครจะไม่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะไม่ชอบรักทรัพย์ไม่ชอบประพฤติผิดประเพณีไม่ชอบพูดปดไม่ชอบเดื่ดของมึนเมาต่างๆเพราะอันนี้มันเป็นนิสัยถ้าได้กระทําไว้ในชาติก่อนมันจะติดมากับใจของพวกนี้เราลองสังเกตดูในตัวเราเอ๊ะทำไมเราถึงไม่เหมือนคนอื่นเอ๊ะทาไมเราไม่ชอบฆ่าสัตว์ทําไมคนอื่นเขาฆ่าสัตว์กันเป็นว่าเล่น เราไม่ชอบโกหกทำไมเขาชอบโกหกกันเราไม่ชอบประพฤติผิดประเพณีทำไมเขาถึงประพฤติผิดประเพณีกันนั่นก็เพราะว่านิสัยที่ได้ปลุกฝังมาในอดีตชาตินี้ปลุกฝังมาไม่เหมือนกันนั่นเองคนที่มีนิสัยดีเป็นคนที่ลงจากสวรรค์เนียก็จะมีนิสัยใจคอที่ดีมีความเมตตากรุณา มิ้นไม่มีความปรารถนาไม่มีความต้องการที่จะเบียดเบียนสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นมีแต่อยากจะให้ผู้อื่นมีความสุขจากการกระทําของตนก็จะรักษาศีลจะทำทานต่อไปส่วนพวกที่ขึ้นมาจากระบายนี้ก็จะเป็นนิสัยตรงกันข้ามเป็นพวกที่ชอบทำร้ายผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น เพื่อประโยชน์สุขของตนเองแล้วรูปร่างหน้าตาก็มักจะไม่สวยงามหน้าตานี้จะเป็นหน้าตาที่หวาดตัวหน้าตาอมตะหิใจายไม้ไส้กรรมหน้าตาก็ไม่สวยงามผิวพรรณก็ไม่ผ่องใสสุขภาพก็ไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงอายุก็ไม่ยืนยาวนาน นักจะตายก่อนวัยแล้วก็ฐานะการเงินการทองก็ไม่ดียากเจนอันนี้ก็เป็นอ น, นิสงส์จากชาติก่อนที่ไม่ได้ทำบุญทำทานเอาแต่ทำบาปอยู่เรื่อยๆอันนี้เราถึงถ้าเราคิดอย่างนี้เราถึงจะเข้าใจว่าทำไมโลกนี้ถึงมีทั้งคนดีแสนดีและมีคนเลวแสนเลว ทำไมโลกนี้ไม่ไม่ปิดกั้นคนเร็วแสนเร็วให้มาเกิดแล้วก็ทำไมไม่ส่งเสริมไม่มีแต่คนดีมาเกิดนั่นก็เพราะว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมเนี่ยบุญและบาปที่ใครทำเอาไว้แล้วไปใช้ในโลกทิพนั้นมันก็อ่อนกาลังลงเมื่อมันอ่อนกำลังลงมันก็จะเปิดภาวะให้ใจสามารถมาปฏิสนธิในร่างกายได้ แต่จะมาปฏิสนธิในร่างกายที่ต่างกันร่างกายของใจที่ดีนั่นก็จะปฏิสนธิร่างกายที่ดีมีเป็นคนดีใจที่ทําบาปไม่ทําบุญก็จะมาปฏิสนธิในร่างกายที่ไม่ดีที่แล้วก็มีนิสัยใจคอที่ไม่ดีใจคอเหี้ยมโหดอัมรหิตเป็นต้น นี่นะเราถึงมีคนแบบนี้คุกคีกันปนกันอยู่ในสังคมของโลกเรา<ม>คนที่เข้าใจหลักกรรมแล้วจะไม่สงสัยจะไม่ร้องไม่ถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้<ม>เพราะมันเป็นเรื่องของกรรมเรื่องของบุญของบาป ท, ที่ของแต่ละคนที่ได้ทำเอาไว้เ<ม>คยทำบุญนี่มันก็จะดึงไปในการทำบุญเคย ร, รักษาศีลมันก็จะดึงให้ไปทาง ก, การรักษาศีล เคยทำบาปมันก็จะดึงให้ไปทำบาปเคยไม่ทำบุญก็จะมันก็จะดึงไม่ให้ทำบุญอันนี้แหละเป็นเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรากระทำต่างๆเป็นการยกระดับของจิตใจก็ได้เป็นการดึงจิตใจให้ลงต่ำก็ได้อนนี่คือ การยกระดับจิตใจจากการเป็นมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทพเวลาที่ร่างกายตายไปแล้ว mm. ก็ต้องทำธรรมะสองข้อคือรักษาศีลแล้วก็ทําบุญทําบุญให้มากยิ่งมากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีบุญนี้มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ต่อจิตใจเงินทองนี้เก็บเอาไว้เฉยๆก็ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์ ถ้าเอาไปใช้กับกิเลสตัณหามันก็เป็นการสร้างภพชาติสร้างความทุกข์ให้เกิดมีมากขึ้นไปตามลา ด, ำดำับซสู้เอาเงินมาทำบุญทำทานกันดีกว่าแล้วจะทำให้จิตใจมีความสุขและเป็นการสะสมทรัพย์ในอนาคตด้วยกลัมาเกิดในภพหน้าชาติหน้าก็จะเป็นเหมือนพระเวชสันดรเนี่ยพระเวชสันด น, นี้ ท่านก็ทำบุญเสียสละใครอยากได้อะไรมีอะไรให้ได้ให้หมดเน่ยพอตายไปด ว, วงวิญญาณก็ไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงแล้วพอถึงเวลาที่จะกลับมาเกิดได้ปฏิสนธิได้น่างกายอันใหม่ก็จะได้มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นเจ้าชายเป็นน่างกายมีรูปร่างที่สวยงาม สุขภาพที่แข็งแรงอาการครบสามสิบสองมีทรัพย์สมบัติรอรออยู่เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินมีปราสาทสามฤดูมีพระราชบริพานคอยมารับใช้คอยมา ส, สนับสนุนความสุขในรูปแบบต่างๆให้ตลอดเวลาอันนี้แหละเป็นตัวอย่างของผู้ที่ทำบุญ อย่างพระเวชสนันดรพอตายไปก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นสูงแล้วพอถึงเวลาให้ลงกรรมมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะและได้มีโอกาสได้ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นจากการเป็นเทพให้ขึ้นไปเป็นพรห ม, มแล้วก็จากพรหมก็ให้ขึ้นไปเป็นพระอริยเจ้า ให้เป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าตามลำดับต่อไปเน่ mm hmm. พระเจ้าชายสิทธัตถะตอนต้นก็อยู่ในวังสวยความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะสวยความสุขจากลาบยศสรรเสริญ mm hmm. แต่วันหนึ่งก็มีสิ่งที่มาสะกิดใจคือความอยากรู้อยากเห็นของพระ อ, องค์อยากรู้ว่านอกกำแพง วังนี้เป็นอย่างไรเพราะพระราชบิดานี้ทรงห้ามไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะออกไปนอกวังเพราะว่าไม่ต้องการให้เห็นความจริงของชีวิตสัจธรรมความจริงของชีวิตว่าเป็นอย่างไรชีวิตในวังนี้เป็นชีวิตที่เป็นจัดฉากไม่ใช่เป็นความจริงเพราะว่าจัดให้มีแต่ความสุขให้เห็นแต่สิ่งที่สวยสวยงามงามน่าดูน่าชม เสียงก็เป็นเสียงที่ฟังแล้วภพยละหูเนี่ยในวังนี้ใครจะเข้าไปทํางานในวังนี้ต้องเป็นคนหนุ่มเป็นคนสาวต้องเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามแข็งแรงห้ามคนแก่คนเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าไปทํางานในวังเนไม่ให้มีคนตายเข้าไปอยู่ในวังใครตายนี้ต้องรีบเอาออกจากวังไปอย่างเงียบๆไม่ให้มีขา่าวเ ไม่ต้องการให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเห็นสภาพความเป็นจริงของชีวิตของร่างกายว่าเป็นอย่างไรเพราะกลัวว่าจะไปสะกิดใจแล้วจะไปเป็นการไปกระตุ้นให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถนี้จะต้องแสวงหาสิ่งที่สูงกว่าที่ดีกว่าจากการที่ได้เสพ ราบยศสละเสริญสุขเพราะว่าทางทางพระราชบิดานี้เคยให้พระโหราจารย์มาทํานายอนาคตของเจ้าชายสิทธัตถะว่าจะเป็นอย่างไรก็มีโหราจารย์หลายรูปมาทํานายในทํานองเดียวกันว่าถ้าของราชอยู่ก็จะเป็นพระมหาจากักรพรรดิแต่ถ้าออกบวช ก็จะได้เป็นพระอาหารหันต์มมาสามพุทธเจา้าพระราชาบิดานี้ก็ไม่ต้องการให้ออกบวชเพราะต้องการให้มีผู้มาสืบทอดเสืบทอดอำนาจสืบทอดพระราชาสมบัติและมาขยายราชาสมบัติให้กว้างใหญ่ไพศาลจากเป็นพระราชาธรรมดาให้กลายเป็นพระมาหาราพชพระเจ้ย่งรู้ว่าถ้าไปมีอะไรไปกระตุ้น จิตใจของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะให้เห็นถนึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของลาบยศสารเสริญสุขของของร่างกายก็อาจจะทำให้เจ้าชายสิทธัตถานี้เกิดความเบื่อหน่ายกับการแสวงหาความสุขของลาบยศสารเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสขึ้นมาและอาจจะออกบวชและไปเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปได้ าชาวยสิทธัตถะเลยไม่มีโอกาสได้ออกไปนอกวงังถ้าไปก็จะเป็นทางมีการจัดฉากตามข้างทางให้มีแต่คนที่มาต้อนรับแบบน่าดูอา จ, จะไม่ได้ให้เห็นชีวิตแบบธรรมดาทั่วไปว่าเป็นอย่างไรวันหนึ่งก็เลยให้มหาเล็กพาหนีออกไปเที่ยวนอกวงังออกไปเที่ยวก็ไปเห็นภาพที่เป็นความจริงของชีวิต เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชนที่เราเรียกว่าเทวทูตสี่เทวทูตสี่คือผู้ที่นำสารมาให้เอาข่าวสารมาให้กับเจ้าทรายสิทธัตถะว่าโลกนี้มันเป็นอย่างนี้โลกของการเกิดแก่เจ็บตายไม่ ว, ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้ามาเกิดในโลกนี้ถ้ามามีความอยากเสกกรรมมาสุขรูปเสียงกลิกนก่นรสผดพะนี ก็จะต้องกลับมาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆ mm hmm. พอทรงเห็นภาพสัตยธรรมความเป็นจริงแล้วก็ไม่อยากจะกลับมาเกิดแบบนี้ต่อไป mm hmm. ก็เลยตัดสินใจออกบวช mm hmm. เพื่อที่จะหาการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดนะ mm hmm. ดยการไปบวชเป็นนักบวชถือศีลแล้วก็เจริญสตินั่งสมาธิ เพื ati, ่อหาความสุขจากความสงบแทนที่จะหาความสุขจากราบยศสรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผพผะชนิดต่างๆก็หันมาหาความสุขของความสงบของของฌานขั้นต่างๆอันนี้ก็เป็นการยกระดับจิตใจจากการเป็นเทพให้ขึ้นไปสู่ระดับของพรหมเป็นพรหมนี้ก็จะ ถ้าเข้าฌานขั้นรูปฌปานได้ก็จะได้เป็นพระพรมพระอรูปปรมพระรูปปรมแล้วถ้าเข้าอารูปฌปานได้ก็จะจิตใจก็จะเป็นพระอรูปปรมขึม้นมายังอยู่อยู่คนละภพกันอยู่รูปภปพกับอรูปภพส่วนเทพนี้พระเทพนี้อยู่ในกางมาภพพระเทพนี้ยังเสกกลางอยู่ แต่พระผมนี้เลือกเสพกามนะเสพความสงบแทนแต่ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อยู่เพราะว่ากามฉันทะนี้ยังไม่ได้ถูกกาจัดเพียงแต่ถูกกดเอาไว้ด้วยกำลังของสติเวลาเจเริญสตินี้จะหยุดความคิดต่างหยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผทพพะทำให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ แต่พอกำลังของสติอ่อนลงกำลังของกา ร, รมาฉันทะก็จะผักดันให้จิตออกมาหารูปเสียงกลิ่นรสหน่ยเนี่ยถึงแม้ได้ไปเป็นพรหมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั้นรูปประพรมหรืออรูปประพรมก็ยังติดอยู่ในไตรภพอยู่ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะอำนาจของของกา ร, รมฉันทะนี้ยังไม่ได้ถูกกำจัดไป ด้วยปัญญาการมาฉันทะนี้จะทุจะกำจัดได้ต้องใช้ปัญญาแต่ถ้ายังไม่ได้ใช้ปัญญานี้ก็เพียงแต่กดเอาไว้มันไม่ตายแล้วมันก็จะเป็นตัวดึงจิตให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มามีตาหูจมูกนิ้นกายใหม่มาเสพรูปเสียงกลิ่นรสใหม่เวลาที่ขาดสติเวลาที่สติอ่อนลง แต่พอพวกที่เคยได้ความสุขจากชั้นพรมแล้วเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอเสพรูปเสียงกลิ่นร้อก็รู้ว่ามันไม่มันไม่เหมือนกับได้เสพความสงบตรงนี้ก็จะก็จะไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรพยายามที่จะฝืนพยายามที่จะสร้างสติให้จิตใจสงบใหม่ตรงนี้ส่วนใหญ่เมื่อกลับมาเกิดก็มักจะไปเป็นนักบวชเหมือนเดิมชาติก่อนเคยเป็นนักบวช เคยปฏิบัติสมาธิเจริญสติเพราะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มักจะไปไปบวชกันอสังเกต ด, ดูประวัติของพระอาจารย์ต่างๆที่ท่านบวชกันตั้งแต่เด็กเนี่ยบวชตั้งแต่สมัยเป็นเนนแล้วก็ไม่เคยเสด็จเลยอันนั้นก็เป็นเพราะว่าจิตใจของท่านนั้นเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเคยเป็นนักบวชมาก่อนพอมีโอกาสได้บวชแล้วก็ไม่เสด็จเลยเพราะว่า พราะว่าชอบสัมผัสกับความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบเพราะเป็นความสุขที่ลึกซึ้งกว่าที่เหนือกว่าความสุขจากการได้เสพ ร, ราบยศสรรเสริญได้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดทะพนั่นเองแต่ท่านก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันเพียงแต่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาบวชมาเจริญสตินั่งสมาธิแล้วตายไปก็ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นพผม แล้วพอกําลังของสติอ่อนลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังไม่สามารถออกจากลโลกของการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะกิเลสตัณหาการมาตัณหาหรือการมาฉันทะภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี้ยังไม่ได้รับการกําจัดเพียงแต่ถูกถูกกดเอาไว้ด้วยกําลังของสติต้องมีคนอย่างพระพุทธเจ้ามาค้นพบวิธีว่า จะทำอย่างไรที่จะทําให้กามัฉันทะการตัตหานี้หรือภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี้ยหมดสิ้นไปได้อย่างไร mm hmm. ก็ในที่สุดก็ทรงค้นพบวิธีของการที่จะทําให้กามัฉันทะก า, มะารมัตตานิภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี้หมดสิ้นไป mm hmm. ก็ด้วยปัญญาคือการเห็นใจลักการเห็นอริยสัจสี่ mm hmm. เห็นว่า การมีความอยากนี่แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจแล้วเมื่อมีความทุกข์ให้กับใจใจก็จะดิ้นหนนไปไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาดับความทุกข์นี้แต่ดับยังไงมันก็ดับไม่ได้อย่างถาวรเวลามีความทุกข์อยากจะไปเที่ยวก็ต้องไปเที่ยวกันพอเที่ยวกลับมาความทุกข์ก็หายไปชั่วคราวพราะมันถูกกดเอาไว้มันไม่ได้ถูกทําลาย พอกลับมาจากเที่ยวเดี๋ยวไม่นานก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกเกิดจากอยากไปเที่ยวอีกก็ต้องไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆยิ่งเที่ยวมันก็ยิ่งติดมันก็ไม่ได้ทําให้ความอยากหมดไปวิธีที่ทําให้ความอยากหมดไปต้องเห็นว่าการไปเที่ยวนี่แหละเป็นการไปหาความทุกข์เพิ่มขึ้นเพราะความสุขที่ได้จากความไปเที่ยวนี้มันเป็นความสุขเดี๋ยวเดียว มันได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดไปมันก็จะปล่อยให้เราอ้างว้างเปล่าเปลียวเศร้าส้อยห้อยเหงา<ม>ก็จะทำให้เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอยากไปเที่ยวใหม่มเพื่อจะได้กำจัดความเศร้าสร้อยห้อยเหงาให้หายไป<ม>ก็ต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ<ม>ทำเท่าไหร่ก็ไม่มีวันกำจัดความทุกข์ได้วิธีกำจัดก็คือต้องหยุดความอยากเหล่านี้<ม>ทาใจให้นิ่งเฉยๆ ให้เป็นอุเบกขาใจที่เป็นอุเบกขานี้จะมีความสุขในตัวของมันเองไม่ต้องไปอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสกไม่ต้องอาศัยรูปประชานอารูปประชานาเสกพอพระพุทธเจ้าเข้าใจหลักนี้ก็สามารถกําจัดความอยากต่างๆกามาตัานาภาวะฐาหาวิภวตฐา น, นาที่เป็นตัวคอยผลักดันให้จิตใจนี้ไปเวียนว่ายตายเกิดได้ ทำลายด้วยปัญญาด้วยการเห็นว่าภาวะต่างๆเช่นรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่สามารถดับความทุกข์ในใจได้แล้วก็เป็นการสร้างความทุกข์มากกว่าเพราะจะคอยสร้างความอยากให้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเวลาเกิดความอยากขึ้นมาใจก็ต้องเด่นนนะเด่นนไปหาสิ่งที่อยอยู่เฉยๆไม่เป็นสุขจึงต้องใช้ ใช้ปัญญาว่าต้องเลิกต้องฝืนต้องฝืนด้วยการใช้อุบเบกขาใจต้องมีอุบเบกขาสามารถต้ากำลังของความอยากได้เพราะเห็นโทษของความอยากว่าจะพาไปสู่การไปหาความทุกข์นั่นเองไม่ได้ไปหาความสุขเพราะมันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไป ห็นด้วยปัญญาก็สามารถต้านกระแสของความอยากไนดะ้หยุดความอยากต่างๆได้ด้วยกําลังของปัญญาและอุเบกขาอันนี้แหละที่เราเรียกว่าภาวนามยะปัญญาปัญญาที่มีภาวนาคือมีอุเบกขาแล้วก็มีใจลักเห็นทุกข์เห็นอริยสัจเห็นทุกข์เกิดจากความอยากวิธีดับความทุกข์ต้องหยุดความอยากไม่ใช่ไปทาตามความอยาก ทำ ต, ตามความอยากทุกจะไม่มีวันหมดอยากได้อันนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้อันใหม่ต่อถ้าหยุดอยากแล้วพอไม่อยากอันนี้แล้วมันก็จะไม่มีความอยากอันใหม่โผล่ขึ้นมาแทนที่ความอยากมันก็จะหมดไปโดยปริยายเมื่อความอยากหมดมตัวที่จะคอยผลักดันให้ใจนี้ไปเกิดใหม่เพื่อไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญไปหาความสุขจากรูปปัจจานารูปปัจจานต่างๆ ก็หมดไปเมื่อไม่มีตัวที่ผลักดันให้ใจไปเกิดการเกิดก็ไม่มีการปฏิสนธิในร่างกายก็จะไม่มีต่อไปเมื่อไม่มีร่างกายไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายเมื่อไม่มีการแก่การเจ็บการตายไม่มีการพัดพากจากกันทุกก็ไม่มีพระพุทธเจ้าถึงตรงสรุปว่าทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้น ถ้ายังมาเกิดอยู่ไม่ว่าจะเกิดในระดับไหนเกิดเป็นเทวดาเกิดมาเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีมหาเศัริย์ก็ยังต้องทุกข์อยู่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกับคนที่มาเกิดธรรมดาหรือคนที่มาเกิดยากจนก็มาเจอความทุกข์แบบเดียวกันทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทุกข์กับา ก, กบารพัดภาคจากกันนั้นการมาเกิดจึงถือว่าไม่ดีถึงแม้ว่าจะมาเกิดดี เนื่องจากผลบุญที่ได้ทำไว้ก็ตามเพราะว่ามันก็ยังทำให้ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายและต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆการปฏิบัติถึงจะต้องก้าวขึ้นไปตามลาดับอย่าหยุดจนกว่าจะถึงขั้นสูงสุดข้าก้าวขึ้นขึ้นถึงชั้นเทพเป็นพระเทพแล้วก็ต้องเพิ่มปฏิบัติให้สูงขึ้นเป็นจากการรักษาศีลห้ามารักษาศีลแป แ้วก็เพิ่มการปฏิบัติสติสมาธิฝันจรังสติทั้งวันทั้งคืนดันยืนนั่งนอนควบคุมความคิดไม่ให้คิดให้ดูเฉยๆแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะได้ความได้อุเบกขาจากความสงบนี้มาใช้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่างๆเมื่อปัญญาชี้บอกว่าการกระทำตามกิเลสตัณหานี้จะนําไปสู่ความทุกข์ ก็จะฝืนจะหยุดความอยากต่างๆได้พอหยุดความอยากต่างๆได้ความอยากในที่สุดก็จะหายไปถ้าเราไม่สนับสนุนมันแล้วมันมันจะไม่กลับมาถ้ามันอยากได้แล้วเราให้มันมันจะมาใหม่วันนี้ได้คือพรุ่งนี้มันก็จะมาขอสอกอยาขอเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ให้พรุ่งนี้มันก็ไม่มาเพราะมันรู้ว่ามามันก็ไม่ได้เมื่อไม่ได้มันจะมาทาไม นี่คือลักษณะของความอยากเป็นอย่างนี้ต้องฝืนมันอยากไปทําตามมันและฝืนได้ต้องเห็นใจรักต้องเห็นอริยสัจสี่ต้องมีอุเบกขาอันนี้คือการยกระดับของจิตอย่าหยุดจนกว่าจะถึงขั้นสูงสุดถึงขั้นที่ไม่มีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเด็กต่อไปคือขั้นพระอาหารหันต์ขั้นของพระพุทธเจ้าขั้นของพระนิพพานนี่แล้วภารกิจทางศาสนา ก็จะถึงวันสิ้นสุดลงกิจทางศาสนานี้มีวันสิ้นสุดลงได้แต่กิจทางโลกนี้ทาไปจนวันตายก็ไม่มีวันหมดมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาให้ทาต่อเยเรื่อยมีเป็นมหาเศรษฐีระดับกี่พันล้านกี่แสนล้านก็ยังมีงานให้ทำอยู่เรื่อยแต่ถ้างานของศาสน า, านี้พอถึงพระนิพพานถึงจุดอิ่มจุดพอแล้วก็จบไม่ต้องทาอะไรต่อไปนี่คือ เรื่องของการยกระดับจิตใจของชาวพุทธเราที่มีความศรัทธามีความเนื่องใสในพระพุทธศาสนาให้เจริญกันให้พัฒนากันจากมนุษย์ให้ไปเป็นเทพจากเทพให้ไปเป็นพรหมจากพรหมให้เป็นพระอริยบุคคลด้วยการปฏิบัติทานสี่งสิ่งห้าแล้วก็ศิ่งแปแล้วก็เพิ่มการภาวนาสมถะภาวนาเทาสมาธิให้เกิดโอเบคา แล้วก็ออกจากสมาธิก็มาเจริญวิปัสนาภาวนาให้เห็นใจรักหเห็นอริยสัจสี่ให้เข้าใจว่าอใจรักอริยสัจสี่เป็นยังไงก็จะสามารถละความอยากหืุดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้แล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเรียนไหวายเกิดอีกต่อไปนี่คือเรื่องของการทําใจให้เป็นพระทําใจให้ประเสริฐในวันพระ ว, วันพระเป็นวันประสจเพราะมีการปฏิบัติที่จะยกระดับใจให้เป็นพระนั่นเองแต่ถ้าไม่มีการปฏิบัติยกระดับใจให้เป็นพระวันพระก็เป็นวันพระแต่ชื่อไม่มีสาระประโยชน์แต่อย่างใด <Yeah. S 1> ถ้าอยากจะให้วันพระมีสาระประโยชน์กับใจของเรา <Yeah. S 1> เราก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า <Yeah. S 1> การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาเดี๋ยวขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาหาตุราปริป ah ุเรนติส e ักังเอวเมวัอิโตทินางเปตานัอุปกปติอิช um ิตังปะชิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉาตุสัพเพปุเรนตุสักปาจันโทปะนาละโสยะถามะนิโชติ ทาราโสยทาสภิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาฒนสีริสานิจังวุทธาปะจายโนยตาโรธรมมวาทานติอายุวันโอสุขัง ภาคแรช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคาถามใครมีคำถามอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะจะถามได้ช่วงเดียวหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกยังมีอะไรถามถามได้ตอนนี้เลยเข้ามาถามเองก็ได้เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือจะส่งมาทางเพจ ทาง YouTube ก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทั้งหมดมีเท่าไหร่ค่ะจาก Facebook พระอาจารย์สุชาติ467ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์280ท่าน YouTube d กเตอร์วีช anel 70ท่านวิทยุออนไลน์5ท่าน c l ับ h ฮ u s ์16ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ107ท่านรวม944ท่านค่ะ ถ้ามีคําถามอะไรก็เชิญถามได้เลยคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิค่ะข้อที่หนึ่งหลังจากหลังจากที่ตายแล้วดวงวิญญาณยังวนเวียนอยู่แถวไหนและถ้าอยู่จะอยู่อีกงานเท่าไหร่คะส่วนใหญ่ไม่อยู่หรอกส่วนใหญ่ก็ถูกกําหน้าของบุญของบาปดึงไปแนละ้วนอกจากว่าถ้ามีความผูกพันมีความรักมากนี่ก็อาจจะวนเวียนอยู่สักระยะหนึ่งก่อนก็ได้ ข้อที่2การจัดงานศพให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วจำนวน3วัน5วัน7วันผู้ตายจะได้บุญเท่ากันหรือไม่คะก็บุญที่ทำก็แบ่งให้ผู้ตายได้ทำมากก็แบ่งได้มากทำน้อยก็แบ่งได้น้อยคาถามจากคุณน้ำเมื่อเรามีเหตุการณ์มากระทบจิตเราจะไปรับเรื่องนั้นด้วยอารมณ์และความเคยชินเดิม ทำให้เรามีอารมณ์โกรธโมโ ห, โหไม่พอใจแต่ตอนนี้พอเราเห็นว่ามันเกิดอารมณ์ที่ไม่พอใจขึ้น mm. ก็ถอยออกมาดูมันเฉยแต่อารมณ์ตัวนั้นมันก็ยังอยู่ยังไม่พอใจยังโมโหอยู่อย่างนี้เราต้องพิจารณาอย่างไรเพื่อให้เราวางมันลงได้คะหลวงต้นก็หยุดมันด้วยคาบริกรรมพุโทโธพุธโทโธกันอย่าไปสนใจกับอารมณ์ที่เกิดขึ้น ให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวอารมณ์นั้นก็จะหายไปหลังจากนั้นเข้ามาพิจรารณาเมื่อใจเราเป็นปกติแล้วก็พิจารณาว่าอารมณ์นี้มันทำให้ใจเราทุกข์นั้เราอย่าไปส่งเสริมอารมณ์เหล่านี้ด้วยความอยากของเราด้วยการไม่มีสติของเราให้พิจรารณาทุกอย่างว่าเป็นไปรักไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่ต้องไปทาอะไร บ่อยให้มันเกิดให้มันดับไปตามพนชาติของมันคำถามจากคุณภูวนาะสอยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องสอนสองดอกอะไรคือดอกแรกอะไรคือสอนดอกที่สองครับ เราจะไปรู้หรืออยู่ดีๆก็อสอนให้เราสองดอกพอดีลองค้นใน g ูเก l e เพิ่มคะ่ะเป็นเรื่องของในพระสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านสอนถึงว่าสอนดอกแรกคือเรื่องของอทุกขเวทนาทางกายถ้าเกิดไม่ยอมรับก็จะเกิดเรื่องของทุกขเวทนาทางใจตามมาอ๋อก็แบบถ้าเจ็บร่างกายแล้วใจเราปล่อยวางไม่ได้เราก็สร้างความเจ็บทางใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง แต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็แยกแยกว่าความเจ็บของร่างกายเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้นะมันเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังถ้าเรายอมรับมันปล่อยให้มันเจ็บไปเราใช้อุเบกขาใช้สติดูกับสู้กับมันไปเราก็จะไม่สร้างมัน ความทุกข์ใจขึ้นมาสอนดอกสอนดอกที่สองก็ไม่เกิดถ้ามีสติมีปัญญาแยกแยะใจให้ออกจากเวทนาให้ปล่อยวางเวทนาความเจ็บของทางร่างกายเพราะเราห้ามมันไม่ได้มันน้ําท่วมนีเราห้ามมันไม่ได้มันจะท่วมก็ปล่อยใันท่วมไปแต่ใจเราไม่ต้องเดือดร้อนกับน้ําท่วมก็ได้ถ้าเรายอมรับ ว, ว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละมันเรห้ามมันไม่ได้มันเกิดขึ้นก็ต้องอยู่กับมันไป คำถามจะคุณปุ้ยพใีในขณะที่สติกำลังจะหายไปจะเกิดช่วงรอยต่อของสติระหว่างหลับและตื่นเราจะต้องประคองจิตให้อยู่กึ่งกลางระหว่างหลับและตื่นหรือว่าให้ปล่อยจิตไปตามธรรมชาติของมันเองคล้ายๆตอนเราง่วงแล้วจะเริ่มเคลิ้มหลับครับก็อยู่ที่ว่าเราต้องการที่จะให้มันหลับหรือไม่หลับ ถ้าไม่ต้องการให้มันหลับเราก็ต้องเ จ, จริญสติอย่าให้สติมันหมดถ้าหมดสติมันก็จะหลับแต่ถ้าเราต้องการจะหลับก็ไม่ต้องไปเจรังสติขอให้มันหมดไปาการกําลังของมันคําถามจากคุณปูคุณพ่ออายุเจิชอบทำบุญมากรักษาศีลห้าปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดีมาตลอดแต่ตอนนอนหลับท่านมักจะฝันและและมือบ่อยคะ่ะจะมีวิธีแก้ไขยอย่างไรบ้างคะ อมันเป็นธรรมชาติของใจงของเขาเป็นอย่างนี้ก็ถ้าอยากจะไม่ให้มันเป็นก็ต้องไปฝึกสมาธิทำใจให้สงบให้นิ่งแล้วต่อไปเวลานอนหลับก็จะไม่มีอาการอาการปรากฏขึ้นมาคำถามจากคุณเอกผมทำสมถะสมาธิเดิมภาวนาพุทโธและบางครั้งภาวนารัว แต่บางครั้งก็ยังมีความคิดแทรกตอนนี้ผมเลยท่องพุทธโทและสลับเปลี่ยนไปสวดพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณซ้ำๆตลอดจนออกจากสมาธิรู้สึกว่าค่อยสงบขึ้นแบบนี้จะผิดทางหรือเปล่าครับถ้ามันสงบก็ไม่ผิดทางคำถามสักคุณทัศนาของคำแนะนำจากหลวงพ่อเจ้าคะ่ะ สามีของโยมอายุ74อารมณ์เสียบ่อยมากๆหาสาเหตุไม่ได้จะพูดอะไรก็ไม่ยอมฟังพูดจามไม่เข้าหูจนโยมกับลูกๆเบื่อชอบผดเด็จการโยมก็ภาวนาพยายามภาวนาพุทโธไม่อยากมีปัญหาบางครั้งก็ดีแต่ไม่เกินสองวันก็เหมือนเดิมพูดจาไม่พูดจ า, มมดจาเอาแต่ใจตัวเองเจ้าคะ่ะก็เปรียบเทียบเขาเหมือนเป็นของเน่าเสียก็แล้วกัน ผลละไม้เสียกับข้าวเสียเครื่องใช้ไม้สอยเสียทิ้งได้ก็ทิ้งไปทิ้งไม่ได้ก็เก็บมันไว้ในตู้แล้วมันอย่าไปยุ่งกับเขาก็แล้วกันบ้อนเขาเสียไปเราต้องรู้จักทำใจอย่าไปยิ่งอยากไปเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเขาไม่ได้ยิ่งอยากยิ่งเครียดยิ่งทุกข์อย่างคำถามจะคุณสัญญาในโลกมนุษย์ส่วนใหญ่จะมีความสุข แต่พอตายไปทำไมหน้ามือเป็นหลังมือครับก็มันไม่เที่ยงไงรู้แต่คาว่าไม่เที่ยงไหมมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสือ่อมเวลาใหม่ๆก็เข้าใหม่ปามั น, นอะไรก็หวานไปหมดฮนะพ<ม>ออยู่ไปอยู่ไปทำาไรไม่ได้ขมขึ้นขมขึ้นมันเปลี่ยนไปคำถามจากคุณประยงตอนที่โยมฝึกนั่งสมาธิแรกๆรู้สึกว่าง่ายเจ้าคะ่ะ นั่งนึกถึงแค่พุโทโธรู้สึกปลื้มปิติเหลือเกินแต่ปฏิบัตนานาหลายปีแล้วทำไมรู้สึกยิ่งยากเจ้าคะ่ะลูกเข้าไม่ถึงสมาธิเหมือนเริ่มฝึกแรกๆเลยเปลี่ยนเป็นการสวดมนต์ภาวนาแทนเจ้าคะ่ะก็ปฏิบัติน้อยปฏิบัติไม่ต่อเนื่องต้องเพิ่มไปการปฏิบัติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆมันถึงจะพัฒนาถึงจะก้าวหน้าถึงจะสงบมากขึ้นเข้าสมาธิได้ง่ายขึ้น คำถามจากอาจารย์ภูมิต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะพัฒนาจิตให้เป็นจิตที่ควรค่าแก่การทางานครับเป็นจิตที่มีคุณค่าคกับการทำงานควรค่าแก่การทางานก็ทำจิตให้เบิกบานทลยทจิตใจให้มีความสุขโดยการทาทานด้วยการททาการักษาสิ่ด้วยการภาวนาจิตก็จะมีความสุขมีความเบิกบาน ต่พร้อมที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยอย่างมีความสุขน่าวันนี้นกมันร้องดังเลยหนะิวข้าวหรอือเปล่าเจ้าของให้ข้าวมันกินหรอือเปล่าคำถามคาถามข้อต่อไปค่ะ ช่วงนี้ท้อมากค่ะไม่สวดมนต์ไม่ใส่บาตรไม่ทำสมาธิเพราะคิดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีค่ะยิ่งไม่ทำยิ่งไม่ได้ดีการได้ดีไม่ได้หมายถึงได้เงินได้ทองได้ลาบได้ยศการทำความดีนี้เป็นการให้ความสุขกับใจพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้มีรบชาติที่ดีขึ้นไม่ได้ไม่ได้หวังประโยชน์ที่จะขึ้นใน ในเรื่องของราบยศเสริงสุดคนละเรื่องกันโนะกถังกรรมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราบยศเสริญสุดแต่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาจิตใจให้สูงขึง้นแลอต่ำลงคำถามจากคุณน้ำฝนค่ะแม่หนูชอบทำทำกับแม่หนูชอบทานกับข้าวที่ทำมาจากปลานา แล้วหนูต้องฆ่าปลาเพื่อมาทำอาหารให้ท่านทานอย่างนี้หนูจะได้บุญมากกว่าบาปไหมเจ้าคะที่ทำการฆ่าปลาให้พระอรหันต์ได้ทานเจ้าคะเพราะแม่ไม่ชอบซื้อปลาที่เขาทำสำเร็จแล้วได้ไม่คุ้มเสียหรอแม้จะได้บุญต่ก็ต้องไปเกิดเป็นปลาให้เขาข้าต่อไป คำถามข้อต่อไปค่ะขออนุญาตสอบถามว่ากรถิ่นที่วัดยานวันที่เท่าไหร่และเวลาเท่าไหรค่คะต้องเปิดทางถามทางทางคำย่ า, า, างการดีกว่าเราไม่รู้เวลาแน่นอนเดี๋ยวพูดไปแล้วอาจจะผิดได้ตอนนี้คำถามวันแล้วนะเรามอีกข้ขคขำถามจากคุณรังค่ะความสงสัยจากการไปงานกระถิ่นวัดแห่งหนึ่งมาครับ หากพระสงฆ์เคยเรียนกรรมฐานจากภิกษุณีที่บวชที่อินเดียสมัยเป็นคารวาสพอบวชเป็นพระสงฆ์แล้วสามารถกราบภิกษุณีหรือกราบ ว, วาจาว่ากราบคุณแม่ด้วยเสียงกล้าวได้หรือไม่ครับกระผมเคยได้ฟังว่าภิกษุณีบวชกี่ปีก็ตามต้องกราบพระสงฆ์ที่บวชแค่วันเดียวครับอันนี้ก็เป็นหนักธรรมวินัยที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ให้ พระสงค์นี่กราบแต่ผู้ที่มีอาวุโสกว่าคือผู้ที่บวชก่อนแม้แต่พ่อแม่ก็ไม่ให้กราบเพราะพ่อแม่นี้ถือว่าต่ำกว่าต่ำกต่าพระพ่อแม่มไม่ถิ่นห่า ย, ยังรักษาไม่ได้เนื้ออรกนองนี้แต่ถ้าอยากจะกราบทางใจก็กราบได้เวลาอยู่คนเดียวก็กราบแล้วไม่เห็พ่อแม่ได้กราบบุญคุณแต่การทำต่อหน้านี้มันมันเป็นการทาให ระบบมันปั่นป่วนนั่นพระนี่ถือว่าเป็นเป็นเป็นพระที่มีระดับที่สูงกว่าแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินยังต้องกราบพระเลยอยนั้นคือทั้งโลกให้เกียดพระนับถือพระย่งนั้นก็ต้องทําตามกฎกติกาตามระเบียบของพระพระอยาจะกราบแม่ชีก็ไปกราบข้างในห้องคนเดียวแต่อย่าไปกราบต่อหน้าสาธารณะเฉย เพราะว่ามันจะทําให้คนปั่นกวนงงไปบอกว่าเอ๊ะเป็นอะไรกันอย่างไรแม้แต่ผ้าด้วยกันผ้าที่อ่อนพรนสากว่าแต่อาจจะมีคุณธรรมสูงกว่าเป็นผ้าอ่อนพรรษากว่าเป็นผ้าระหันแล้วก็ผ้าที่แต่พรรษากว่าเป็นสังฆราชนี้สังฆราชนก็ไม่ไปกับผ้าที่มีพรรษาอ่อนกว่าผ้าละหันที่มีพรนสาอ่อนก่อนจะไปกาบผ้าสังฆราชที่มีคุณธรรมต่างกว่า พอท่านต้องว่าไปตามกฎของสมสมุนสมมุติบัญญิคำถามจักคุณกุหลาบค่ะการฟังธรรมเป็นบุญหรือไม่เจ้าคะเป็นพอได้ประโยชน์5ประการด้วยกันอย่างใดอย่างหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองถ้าเคยได้ยินฟังแล้วซ้งฟังซ้าอีกก็จะเข้าใจดีขึ้นไปตามลาดับสามจะคำจัดความลังเลสงสัยต่างๆได้ จะทําให้จิตใจผ่องใสสงบ5จะทําให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเังนี้เป็นบุญของนั้นเป็นบุญกับจิตใจคําถามจากคุณ น, นัดคุณแม่อายุมากทําบุญมาตลอดชีวิตตอนนี้อายุมากเป็นห่วงลูกหลานเวลาเสียชีวิตจะเกิดไปพบภูมิไม่ดีไหมครับไม่เป็นอะมันบุญกรรมมันเป็นอัตโนมัติของมันอยู่แล้วถ้าบุญมากกว่าบาปบุญก็จะเลี้ไป สุขสุขติหมดแล้วนะมีใครอยากจะถามอะไรไหมถามได้นะไม่คิดตังค์โอเคนะถ้าไม่มีก็จะได้ปล่อยให้กลับบ้านกันขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ